2. เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นสาสำเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งหมดหายใจออก 4. สำเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งหมดหายใจเข้าสสำเนียกว่าจักเป็นผู้ระงับกายสังขาร หายใจออกสำเนียกว่าจักเป็นผู้ระงรับกายสังขารหายใจเข้าหมด4ี่ที่สองใช้บำเพ็ญเวทานานุปัสนาสติปัฏฐานได้ห้าสำเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ชาติปีติหายใจออกสำเนียกว่าจักเป็นผู้รู้ชาติปีติหายใจเข้า6สสำเนียกว่า จกเป็นผู้รู้ชัดซึ่งสุขหายใจออกสำเนีกว่าจะเป็นผู้รู้ชัดซึ่งสุขหายใจเข้าเจ็ดสำเนีกว่าจะเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตตสังขารหายใจออกสำเนีกว่าจะเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าแปดสำเนีกว่าจะเป็นผู้ระงับจิตตสังขารหายใจออกสำเนีกว่า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 อาณาปานาสติกรรมฐานแปลว่าอาณาปานาสติกรรมฐานมีวัตถุคือหัวข้อ16แยกออกเป็นหมวด4หรือใช้ศัพท์ บ, บาลีว่าแยกออกเป็นจตุกะสี่หมวดดังได้แสดงแล้วปราดบางท่านชี้ให้สังเกตความแตกต่างระหว่างอาณาปานาสติกับวิธีฝึกหัดเกี่ยวกับลมหายใจของลัทธิอื่ น, นๆเช่นการบังคับควบคุมลมหายใจของโยคะ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 มติของอัตถกถ า, ธาว่าผู้เริ่มต้นพึงปฏิบัติได้เฉพาะจตุกะแรกคือหมวดสี่ที่หนึ่งนี้เท่านั้นส่วนจตุกะที่เหลือจากนี้ปฏิบัติได้ต่อเมื่อบรรุษฌานแล้วอันหนึ่งเฉพาะสามจตุกะต้นเท่านั้นใช้ได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาจตุกะสุดท้ายใช้ได้แต่สําหรับวิปัสสนาอย่างเดียวในที่นี้จักชี้แจงประกอบโดยยอ่อ เฉพาะภายในขอบเขตที่เป็นสมถะของจตุกะแรกคือหมวดสีที่หนึ่งเท่านั้น